ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นอ ก, กุศลเป็นไปในส่วนแหง่งอกุศลเป็นไปนในฝักฝ่ายคือพวกแหง่งอกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่งธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจย่อมเกิดก่อนธรรมเหล่านั้นอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเกิดตามมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นกุศล เป็นเป็นในส่วนแห่งกุศลเป็นไปในฝักฝ่ายคือพวกแห่งกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่งทำเหล่านั้นทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจย่อมเกิดก่อนทำเหล่านั้นกุศลทำทั้งหลายย่อมเกิดตามมา